วันนี้วันจันทร์ที่13มกราคมปัจจกรตรง155 15แรลม15คำเดินเดินยี่ตามสมุูยัดก็เป็นวันพระ ของคนจีนก็ถือว่าเป็นวันตรุษจีนวันนี้ปีใหม่จีนคนจีนเมื่อคืนก็แม่ทีจีนนะก็ถือเอามาเป็นวันปฏิบัติตื่นเนซชิกไม่นอนตั้งคืนสองคนเนี่ยคณะมรณาเนี่ยเป็นการขูดเกลาว เคยชอบนอนแล้วก็นอนในความขี้เกียจตื่นด้วยความขี้เกียจมันก็จะไม่เป็นขูดเก่าไม่เป็นตุดงกวัดมันก็เป็นการฝึกผนดีเหมือนกันนานๆทีหนึ่ง แนวหลวพอเตียนถือว่าไม่ต้องตุดตรงก็ได้นะ ใ, ใช้ชีวิตยอย่างธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าในทางขุดเกานะ่าถือว่ามันช่วยนะทำให้เราได้เหมือนกับว่า กิเลสมันลดนะดเห็นกิเลสเองได้ชัดขึ้นมันก็ดีนามรณาอยู่ถ้าใช้ถูกก็ดีหมดนะถ้าใช้ไม่ถูกก็กลายเป็นกูเก่งกูไม่เก่งกูเจ๋งกูไม่เจ๋งมันเม็ดตาที่เราจวดมัสักกลู่นะ เมตตาจริงๆมันคือพระเดชและพระคุณตัวเมตตาจริงๆ จ, จะคือพระเดชและพระคุณยิงดา ย, ยิงรักยิงชี้ยิงรักเพราะว่าผู้ใดชี้โทษแล้วชี้โทษอีกคนนั้นคือชี้ขุมทรัพ์ให้พระองค์ได้กล่าวไว้ชัดแต่ว่าผู้ชี้จะต้องไข้ควรแล้วติดเตียน โดยศีลได้หรือไม่ก็ใข่กลวนเป็นปูสุดเป็นสตัต บ, บุรุษเป็นวินยูชนหรือว่าผู้เดินไปถึงแล้วอย่างมาที่นี่ลรากน็น้อมให้ผู้รู้หรือว่าสูงสุดที่สุดก็คือหลวงพ่อขมเขียนท่านได้ชี้ผู้ได้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นชี้ เราก็สังเกตโดยไม่สรุปเมตตาธรรมถูกส่งค์้ห้อยู่ในสมถกรรมฐานเป็นอภัมัิยาสี่ในสี่สิบวิธีเมตตากรุณ า, า, าเามตตาเบรกขามีสติลงไป แล้วก็เมตตาลงไปทํางลงไปคิดลงไปพูดลงไปอันนี้เป็นวิปัสนาวิปัสนาจะรู้เมตตาทีแล้วก็หยิบเอามาใช้จะไม่ได้จมจนเมตตาเป็นเสน่หามันจะรู้เพราะว่าถ้าหากว่เราเมตตาโดยขาสติ มีก็ให้ไม่มีก็ไม่ให้ก็กลายเป็นว่าให้ไม่ถูกคนเหมือนกับให้คนที่ไม่อิ่มอยากไม่หยุดหรือเขาเรียกว่าเลี้ยงผีแต่เลี้ยงผีแล้วขาดปัญญาถ้าหากว่าไม่พอให้หรือว่าวันไหนไม่ได้ให้ ผีหิวก็จะกินเจ้าของแต่ถ้าหากว่ามีปัญญามีวิปัสสนาให้แล้วทั้งกายวาจาใจให้แล้วแล้วก็เราไม่ได้ให้เพราะว่ามันมีกระบวนการยุติธรรมให้ในเวลาที่สมควรให้ไม่ให้ในเวลาที่สมควรไม่ให้มันเป็นความยุติได้ทำ ไม่ส่งเสริมก็เรียกว่าพกเดชเป็นทั้งคุณเป็นนังเดชะเตโชคือไฟมันเป็นความร้อ น, เ ป, นเป็นการฝึกเป็นการอบเป็นการลมทําให้ร้อนซึ่งมันไม่สบายมันทุรนทุลายมันก็ฝึกมาฝึกช้างก็ฝึกแล้วไม่สบาย ให้ทำงานทําการฝึกแล้วรู้สึกว่าไม่สบายฝึกหลิงฝึกข้างบางชนีต่างๆต้องเอาเชือกมาล่ามมันก็ฝึกหลิงวีใหญ่วอะไรฝึกหลิงวันแรกก็เอามาล่ามไว้ก่อนดูรายนักให้มันหยุดพยศยั ไม่ใช่หมายถึงนักทรมานลิงแต่หมายถึงก็มีปัญญาที่เกียก่ยวข้องกับลิงจนเกิดพฤติกรรมและมีการเปลี่ยนแปลงวันที่สองพกักคุณดีเอาอาหารไปให้กำลังหิวเอาอาหารไปให้ก็เริ่มรู้แล้วอ๋อเจ้าของมาท้องอิ่มมีความสุขมีกําลัง ใหนหิวเริ่มคุ้นจินกับเจ้าของต่อมาก็คือพอคุ้นกับเจ้าของก็เริ่มเล่นกับเจ้าของพอเล่นกับเจ้าของเสร็จก็เจ้าของก็เริ่มหยอกดิกแกมหยอกพอดิกแกมหยอกเสร็จ เริ่มที่จะเอาลูกมะพร้าวเอาสีน้ําตาลเอาทางมะพร้าวมาอยู่ใกล้ๆเสร็จแล้วก็ปั่นให้ให้เห็นเจ้าของปั่นลูกมะพร้าวให้เห็นเจ้าของเริ่มหมุนลูกมะพร้าวให้เห็นโดยไม่ได้สอนลิงก็ดูเห็นทุกวันตอนหลังก็เอาลิงมานั่งตักแล้วเอามือปั่นไปได้วยกัน เล่นไปด้วยกันวันหลังก่อนให้อาหารก็ให้เล่นแล้วก็ให้อาหารเอาไปเอามาให้ปั่นเอาเองกลายเป็นลิงไปเก็บรูปมะพร้าวได้ในท้ายสุดอันนี้ก็คือเมตตาทั้งพระแดนและพระคุณแต่ว่าถ้าติด กระหม่อมถึงก็เป็นแค่พรหมนะเป็นอารูปพรหมเป็นรูปพปรหมก็คือติดดีอยู่ตรงนั้นแหละมีความสุขกันทําดีอยู่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของศัตนาจึงมียุคของสมนะโคดมเป็นยุคขององค์สมเด็จสัมมาสุขเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธาที่เชื่อว่าทำไมเป็นตุมเมทดาบทได้มีการให้น ให้คนได้เหยียบให้วุทธเจ้าที่ปางกรได้เหยียบแล้วก็เดินผ่านพร้อมทั้งสาวกจนตัวเองจมดินจมโคลนภ้ายสุดมีการถามว่าท่านต้องการอะไรปาถนาอะไรก็อบอกว่าเราต้องการเป็นพระเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต พันธายสุดก็เชื่อกันว่ามาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะเนี่ยหลังจากนั้นสมบัติโคโดมเจ็ดก็จะเป็นยุคของพระศรีอารยเมตรัยมันหมายความว่าไงก็หมายถะความว่าบรรลุธรรมเข้าใจธรรมมแล้วแล้วถึงไปช่วยโลกพาช่วยแล้วมันเป็นการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยมันคือเมตตาเจโตวิมุตตก็อย่างที่เราสวดกันนั่นแหละจิตใจเราจะไม่ได้ถือสาหาความมันจะมีการให้อภัยมันจะมีการอโหสิกรรมนในการทำอะไรลงไปแล้วไม่เสียใจในภายหลังความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราหยุดแทนที่จะเข้าไปในความคิดเห็นแล้วทำเลยนะบางทีเราเห็นว่าคนเห็นแล้วทำเลยนะแล้วก็เละเทะไปหมดนะเห็นแล้วทำเลยว่าขาดปัญญาในสิ่งที่ทำนะมันมีสมมุติมันมีปรมัดนะมันมีสัจจะความเป็นจริงของสิ่งสิ่งนั้น ดีดีมากและดีที่สุดตปัญญามากก็สามารถที่หยิบเอาสิ่งที่ดีที่สุดในขณะดนั้นมาใช้แล้วก่อประโยชน์สูงสุดหรือว่ามันยังไม่รู้ถึงว่าดีที่สุดเกือกอะไรมันก็อย่างน้นอยมันก็ดีแต่ว่าไม่ได้เชื่อว่าดีพอท้ายสุดน่าจะเป็นของไม่ดีก็ได้ตอนนี้ดี ทำไปซ้ำๆอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าสรรพสัตว์สรรพสิ่งในโลกนี้นะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยการเขมือตาหลิยวๆตาตามอันนี้เป็นลักษณะของความกลมเกลืนแล้วก็ทําให้รอดพ้นแล้วกเกิดปัญญา รอดพนด้วยและเกิดปัญญาด้วยตำรวจอยากรู้เรื่องโจรเป็นไงก็ต้องทําทตัวเป็นโจรและ้าสุดพอโู้จนก็จะได้จับโจรแล้วแสดงตัวเป็นตํารวจนี่เป็นต้นจะไม่แต่งชุดในร้อยชุดตํารวจแล้วก็ไปก็จนยิงตา ย, ยาก็คือต้องมีปัญญาไปศึกษาโจรแต่ตํารวจมันด้เป็นโจรโจรพกปืนตำรวจก็พกปืน แต่เวลาอยู่กับโจนไม่ต้องพกปืนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปยิงโจนให้โจนมันยิงเราแต่เรารู้จักเอาตัวรอดได้ได้อันเนี้ยมันจึงเป็นเรื่องที่นะการทําดีทั้งหลายจะต้องมีปัญญามีสติมีความรู้สึกตัวนะถ้าติดดีมันก็ทุกทาไม่ถึงดีมันก็ทุกทำดีไม่ถูกค น, นก็ทุกทำดีไม่ถูกกาละเทศะองค์ก็ทุก ทำดีแบบขาดปัญญามันดีอยู่แต่ว่าท้ายสุดก็คือทาดีทำดีท้งน้ำตาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันัะมีการฝืนใจมากเหมือนทูบังครับเวลาปฏิบัติธรรมเหมือนนักศึกษาที่มาแล้วเพิ่งกลับไปให้ก็พูดความจริงเลยว่าเนี่ยทั้งๆที่ตั้งใจทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะแต่ว่าวันสุดท้ายน่ะเดินสองชั่วโมงติดนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่ขยับ ก็ทำแล้วทำได้ด้วยจํานวน 80% 90% ทำได้ในร้อยยี2บเจคนมีสองคนนั้นะที่ขยับตัวนอกนั้นไม่ได้ขยับเลยนั่งนิ่งเจยเป็นชั่วโมงเด็กไม่เคยคิดว่าจะมาปฏิบัติธรรมอาจารย์ใช้มาปฏิบัติธรรมแล้วท้ายสุดก็คือมาที่นี่ก็มีกรอบไม่ได้ใช้คาบังคับนะมีกรอบ ถึงการมาแล้วก็อยู่แล้วควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรมีให้แล้วก็ลองรับรู้เรียนรู้แล้วก็ฝึกหัดดูให้เป็นประสบการณ์ตรงว่าจะมีผลอย่างไรแล้วก็ค่อยมาเมื่อวานวันสุดท้ายก่อนกลับให้เปิดอกพูดมาเลยว่าก่อนมาเป็นยังไงก็ก่อนมาไม่มีใครอยากมาหรอกมีความรู้สึกว่าจะมาทำมใกล้สอบ การที่จะทํารายงานอ่านหนังสือการบ้านที่ค้างคาติวกับเพื่อนๆต้องมาปฏิบัติธรรมหรือว่าทําไมต้องปฏิบัติธรรมพระวัดไม่เห็นดีเลยอยากเปลี่ยนศาสนาได้ซ้ําไปกําลังคิดจะเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นหรือว่ามาทําไมมันดียังไงไม่เห็นหน้ามาเลยผู้ใหญ่คิดยังไงให้มาแต่ประตายสุด มันเป็นลักษณะที่ว่าได้มารู้จักสถานที่รู้จักวิธีการปฏิบัติและโดยเพราะเห็นชุมชนนะของวัดป่าสกโตและเกิดศรัทธาพระสงค์ขึ้นมาพระสงค์ที่นี่ปฏิบัติดีปริัติชอบตรงต่อเวลาเรียบร้อยดูสำรวมก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเบื้องต้นเห็นแม่ออกเดินจงกรมแก่แล้วยังเดินจงกรมก็เป็นนิมิตหมายเป็นนิมิตหมาย เห็นพระหลายรูมาเป็นหนุ่มน้อยมีความรู้มาบวชปฏิบัติแล้วก็สำรวมแล้วมาระวังก็เกิดศรัทธาขึ้นมาก็เลยเป็นเรื่องที่เขาบบังคับมาแต่ท้ายสุดก็คือจบโดยเกิดศรัทธาแล้วก็บางคนก็มีอารมณ์ปฏิบัติมีประสบการณ์การปฏิบัติเหมือนกับคนโต เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มาอยู่วัดโดยศรัท ธ, ธาแล้วก็มานานๆก็มีอารมณ์ปฏิบัติเช่นก็มีความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเดินได้ทั้งวันเด็กบางคนก็พูดว่าของเขาก็เดินเบาเหมือนกันแต่ว่ามันมีอีกตัวก็คือเวลาเดินไปตักอาหารนะเขาเดินแล้วรู้สึกตัวมันไม่ได้อยู่ที่ทางเดินจงกรม ก็มองต้นไม้มองเพื่อนเพื่อนหัวเราะเพื่อนคุยแต่เขาเฉยๆแต่รู้อย่างเงี้ยก็รู้ว่าเพื่อนหลงไปแล้วอย่างเงี้ยเออนี่ยนะมันอารมณ์กรรมฐา น, น, นและเป็นการจับอารมณ์กรรมฐานได้ซะด้วยแล้วก็ได้แบบตรงๆสังเกตจากอัปปะกิริยาการพูดสีหน้าท่าทางต่างๆมันเป็นเรื่องของ ไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยหรือว่าบังคับมาไม่บังคับมามันเกี่ยวกับว่าลงมือทําแล้วทําถูกหรือไม่ลงมือทําทําอะไรก็คือกรรมฐานในรูปแบบนอกรูปแบบนี่แหละการเคลื่อนไหวใจรู้จะประเด็นได้หรือไม่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือไม่นตั้งแต่ในรูปแบบการเดินโยงกลมการนั่งสร้างชังวะนอกรูปแบบไปไหนมาไหนยังรู้สึกตัวอยู่หรือไม่หรือว่า นะกิจวัตรประจําวันต่างๆสังเกตได้ไหมว่าความคิดที่เกิดขึ้นมารู้เท่ารู้ทันไหมสังเกตได้ไหมอาการรู้สึกที่คิดเป็นอย่างไรรู้สึกที่กายเรารู้แล้วสัมผัสรู้แต่มันรู้แบบเป็นสมถะหรือวิปัสนาคือรู้ไปจมแช่แนบแน่นอยู่กับอารมณ์การเคลื่อนการไหวอันนี้จะรู้สึกว่าเออมันไม่เกิดปัญญาแต่สงบดี อีกอันก็คือมันรู้แบบตื่นๆมันรู้แบบรู้รอบๆมีคนไปคนมาก็รู้สึกมีเสียงก็รู้สึกหรือว่าหลายๆอย่างอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆธรรมอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาก็รู้สึกรู้แล้วหายไปรู้แล้วปกติอย่างเงี้ยง่วงมาปั๊บรู้ทันแล้วกลับมาปกติเจ็บปวดเมื่อยเกิดขึ้นมารู้เท่ารู้ทันแล้วกลับมาปกติ กายเมื่อยแต่ใจไม่เมื่อยกายปวดแต่ใจไม่ปวดกายล้าแต่ใจไม่ล้าตื่นรู้ตื่นรู้มันมีอาการตื่นรู้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่มนะีการพัฒนาและมีผลพัฒนานะก็เนื่องจากนะ้ำนเะมตตาขององค์สมเด็จสัมมาธรรมเจ้านะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่าน ได้สืบทอดแล้วก็ส่งข่าวต่อมาถึงยุคเราบอกต่อจนกทั้งเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาทดรองนะฝึกหัดโดยที่ไม่ใช่ว่ารับก็บมาแบบโง่หลงงมงายหรือว่าปฏิเสธนะเราลองทำดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นสิ่งทีนะ่ทำให้เกิดขึ้นมาในตัวเราจริงๆเป็นผลของการปฏิบัติไนะ ทั้งเมตตาก็มีเหมือนกันละกระลุ้นน้ำก็มีเหมือนกันละมุทิตาก็มีเหมือนกันละอุเบกขาก็มีเหมือนกันละก็คือความเป็นพรหมอุเบกขาเป็นนังพรหมเป็นนังพระเป็นพรหมก็คือใช้อุเบกขาขณะที่เห็นเขาทุกข์เราช่วยแล้วะช่วยไม่ได้จริงๆก็ต้องอุเบกขากันไปมุทิตาในใช้ตอนที่ว่าช่วยเขาแล้วเขามีความสําเร็จะ หายจากความทุกข์หลังจากที่เรากรุณาก็สาธุอมตนาด้วยรวามีผู้คลอื่นที่เราช่วยไม่ได้นะแต่คนอื่นก็ช่วยได้ก็ช่วยเราก็เออเห็นก็คลายทุกข์หายทุกข์เรียบร้อยแล้วเราก็เออนมรสาอ ม, มนาสาธุไปด้วยก็คือมุริตาจิตแสดงความยินดี mm hmm. กรุณาลงมือกระทาลงไปแบบมีปัญญา เมตตานี่มันเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกี่ยวว่ามีสติหรือไม่มีสติคนจิตใจเป็นพรมมันก็มีเมตตาเป็นพรมก็คือมีความดีแล้วเป็นคนที่ทนะั้งเนื้อทั้งตัวมีจิตใจบุญมีจิตเป็นกุศลอย่างเงี้ยมีความฉลาดรู้ว่าอยู่กระชั่วมันทุกอยู่กัดีเป็นสุขเียชีวิตปรารถนาความสุขก็ต้องทำดีละช่วทาดีอย่างเดียว แต่ท้ายสุดมันกลัวตายจากความดีตัวนี้ก็สำคัญนะเรียกว่าฮิลิโอตาป์อายชั่วแล้วก็กลัวบาปนะกลัวตายจากความดีตรงนี้ก็จะกลายเป็นเทพอสูรทันทนะีเป็นเทพอสูรก็คือมันเป็นเทพนะแต่ว่ามันขี้ขาดอาสูรนะอสูรละคือมันไม่กล้าที่จะเผชิญความจริงนะเพราะนั้นพรมนี่ปฏิบัติธรรมยากที่สุดนะพรมนะีปฏิบัติธรรมยากที่สุด ติดดีและติดลึกด้วยนะความมืดสีขาวนะเป็นลักษณะของความสุขโนะดยเพราะองสมเด็จสมมาวเจ้าก่อนที่จะตัดจโรเนะี่ยเจ้าชายฤาษาจบนะจากอุทกกรดาบทอารามกระดาบทสนะอนให้ดิ่งลึกนะในความเป็นอา ร, ปปรมณนะ์ภสมาบัติปอุทกกรดาบทสมาบัติเจ สมาบัดแปดลึกมากติดอยู่ในอารมณ์ถอนตัวเองไม่ขึ้นท้ายสุดองมดสมเด็จสมเอาเจ้าบอกไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทา ง, ทางก็หันกลับมาเรียนรู้ได้ตั ว, ตวเองใหม่บำเพ็ญทุกขากิริยาทานงคาสิลิจนกระทั่งความทุกข์ไม่ได้เกิดที่กาย กายเราก็ไม่ได้กินไม่ได้ไปทำมันช่วยไม่ได้ไปทำอะไรแต่มันยังทุกข์อยู่อ๋อจิตคิดถึงพิมพาราหุนคิดถึงอะไรมากมายเหลือเกินอดีตสมัยเป็นโอรสสาธิราชไปห้ามทับเมืองกลินพัทกับเมืองโลฮินีเทวตหะที่เนน้ำโรหินีทะเลาะแย่งน้ำกันปรากฏว่าองค์สมเด็จทํามาอเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายยต่ะ งดที่จะออกเสียงวางตัวเป็นกลางแต่ท้ายสุดโดนอเปหิตคือโดนขับไล่ออกมาก็คงจะคิดถึงนะว่าเออเราเคยทำดีแล้วทำไหมวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วแล้วทำไหมต้องไล่เราก็คิดเหมือนพวกเรานั่นแหละทำไมต้องทำกับเราทำไมไม่เข้าใจเราทำไมก็ต้องทำกับเราอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างน้นก็คงต้องคิดนั่นแหละ แต่ท้ายสุดก็คือรู้แล้วว่าอ๋อนี่คือตัวความคิดมันให้เกิดความทุกข์ถลนเข้าไปปรุงแต่งกับมันนี่เรานั่งอยู่นี่เรานั่งดูลมหายใจอาณาปาณะติอยู่เนี่ยนวันเพ็ญเดือนหกึ้นสิบห้าค่ำยามสามปรละกาเนี่ยนี่คือลมหายใจเนี่ยรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปคิดได้ยังไงน่ยก็คงจะเห็นอาการของกายเป็นรูปธรรมและจิตใจเป็นนามธรรมก็ตรงนี้แหละ ไปเห็นกายเห็นลมหายใจตามความเป็นจริงเห็นจิตเป็นคิดนึกรู้สึกตัวโอ้ปัโทปุทโตอย่างนะี้นะก็เลยเออเห็นแล้วว่าตัวคิดเนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าสมุทัยเหตุแห่งทุกข์กี้ละโกดกีลักรรกี้ละชังขี้ละฉาลิสยาไทยสึด ก, ก็เลยเได้คาตอบ เห็นอาสวัค ก, กิเลสนะเกิดขึ้นมาเล็กน้อยโดยอาสวัคคายาณยามสามนะตีสามหกโมงเช้านะก็คือเวลานี้แหละมีความสําเร็จนะก็จึงนะเป็นองค์สมเด็จสัมมาเจ้าคือรู้แล้วบอกต่อนะรู้แล้วบอกต่อถึงยุคเรานะมันก็มีความชัดเจนจนกระทั่งเหมือนกับว่าก็ไม่ควรจะเสียเวลานะก็ไปเกี่ยวกับศรัทธามามีปัญหามาบวชจีบวชพระ คนจีนคนไทยไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่าจะประเด็นของความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวของกายในรูปแบบนอกรูปแบบมันเกิดเวีนาขึ้นมาก็เห็นอาการเวีนาที่มันเคลื่อนไหวเกิดดับเกิดดับอยู่เหมือนกันจิตที่มันเคลื่อนไหวมันคิดเก่งอันนี้เป็นคนไกของกรรมที่มันเกิดวิบากจึงมีคําว่าตํเมโสปุเพกตะเฮตุ ทุกขังนิคัจตจติโปลากนกลางกระตังปาปังตามเมมณเจยีนังขนาดนี้ไม่ว่าเรากําลังประสบกับสุขหรือว่าทุกข์ก็ตามเนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นมาในการก่อนโปลากนกลางกระตังปาปังเหตุที่เคยทํามาแล้วเคยคิดเคยพูดเคยทําเป็นอดีตตอนนี้ส่งผลเป็นวิปากเชื่อว่า ชื่อว่าเรากําลังใช้นี่ชนี้นะหรือว่าประดุดว่าเรากําลังใช้นี่ชนอย่างีนะ้เพราะฉะนั้นกรรมาฐานนะเป็นตัวทำให้เรานะเห็นกรรมดีกรรมชั่วที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็ออกมาทันทนะีตัดกรรมทันทนะีก็ทำให้เกิดนะเรียกว่ากำไรของชีวิตนะ เป็นที่สุดของการได้เกิดมาแล้วก็มีชีวิตเป็นมนุษย์นะก่อนตายก็ควรจะได้สัมผัสนะความสุขที่เป็นปัจจุบันข ณ, ขณะนี้ขณะนีนะ้เป็นความสุขเกษมสารที่เกิดจากจิตที่คืนสู่สภาวะปกติของจิตนะที่มัน พ, พ, พัดสอนผ่อนอใสเป็นจิตเดิมแท้นะสถานการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น เปรตสนรกอสุรกายนะอบายภูมิหรือว่าเทวดาพรหมอันนั้นก็คือขันธ์สี่ขันธะ์ที่เป็นโอปปาติกะเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนะเมื่จึงมีทางออกนะเป็นคําตอบนะในท้ายสุดนะคําตอบสุดท้ายคือความรู้สึกนะความรู้สึกนะจะเป็นตัวกายตัวใจนะตัวสติ อันนี้ก็คือพัฒนาการของตารปกรณ์ที่มีปัญญาเนบะื้องต้นทำกลางที่สุดที่เราจะต้องวิวัตพัฒนาจาตั้งนะเหมือนกับว่านิ่งได้อย่างนี้แหละนิ่งได้ก็คือมันไม่มีคำพูดนะเราเก็เห็นว่าสมควรเวลาเราการพราพร้อมกัน